มาโดยลาดับคือพูดทึงเรื่องพลาดทึงเรื่องขันทึงเรื่องอายตนะ <c oughs> เพื่อมาทิดต่อกันจะข้าหากว่าไม่ได้ศึกษาเราเรียนตามตำรบตำลาหมวดทำทั้งหลายเหล่านี้จะจำไม่ได้ ถึงจําได้ไม่ได้ก็ตามเถอะการที่พูดที่อธิบายแบบ น, นี้นั้นไม่ได้อธิบายนอกเหนือไปจากที่ของมีอยู่คือว่าแสดงของที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ถึงเราไม่ได้เรียนในตามตำรับาําราแต่ตําราใหญ่คือตัวของเรามันมีครบบริบูรณ์หมดตัวของเราเนี่ที่เรียกว่า เป็นธรรมะนั้นจริงจะแสดงธรรมะได้แสดงที่ตัวของเราเราทุกคนนั้นได้เชื่อว่ามีธรรมะอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักธรรมะจ ร, จริงแสดงธรรมะคือตัวของเราเนี่ยให้ฟังอย่างว่ารูปธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมอยู่แล้วรูปธรรมก็คือได้เหมือนก็ได้แก่รูป คืตัวงเราที่ปลากรดอยู่เนี่ยเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็คือหมายความในจิตใจก็ทรงตัวอยู่ได้คือไม่แตกไม่ดับถ้ารูปธรรมนามธรรมแยกกันออกเมื่อ่คนเราก็ตายในการที่เราหลงก็หลงที่รูปธรรมนามธรรม เรารู้ก็รู้ที่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่รู้ที่อื่นเราจะยึดถือซึ่งเป็นเหตุในะีเกิดกิเลสบาปธรรมต่างๆก็เพราะเราไม่รู้จักรูปธรรมนามธรรมเราจะใสสะอาดจิตใจของเราจะใสสะอาดบริสุทธิ์พุทธของเึ็นมาได้ อย่างพระอรีย์เจ้าหรือพระพุทธเจา้าท่านกับวารู้แจ้งถึงรูปธรรมนามธรรมคือที่ตวของถนดท่านกับพุทธหลุดพ้นไปเสียแล้วถึงคนในผ่านพวกเรายังไม่ถึงรู้ถึงเลือดรูปธรรมนามธรรมตัวของเรานี้แล้วยังพากันของพากันติดพากันหลงหมัวเมา เนี่ยจป็ต้องอธิบายให้เข้าใจกันงรูปธรรมนามธรรมเรืตัวของเราแต่ละคน <c oughs> จิ่งได้แสดงมาเบื้องต้นธาตุตีก็ไม่ใช่อื่นไกลกับือตัวของเหลานี้อย่างที่พากันสวดกันมาสวดกันอยู่เรื่อย <c oughs> เรียกว่าอาการสามที่สอง เจษฎาลงมานะคะทางตาตาจุคันหาก็ไม่ได้นหนีจากรูปทรรมนามธรรมคือเอาธาตุสี่เป็นที่ตั้งคันหามันก็ออกไปกระเยยะธาตุสี่นี่แหะให้มีนามมาทำเข้ามาเพิ่มเติมเข้ากเป็นรูปก็เป็นรูปอยู่ปกติ ใแกการสามที่สองสิบาทไปแล้วท่า น, นี้นามทำเพิ่มเข้ามาอีกสี่อย่างแยกออกไปเพิ่มเติมไปพิจารณาเข้าไ ป, าไ ป, านาไปคนเราเป็นก้วงไบบนี้เลยที่แรกนั้นแคบๆนะไอ้นี่เดียวเด้อนานมากก็ บ, บานปลายก้วงออกก้วงออกขันห่าแล้วกั น, นี่มันเลยจากสี่เข้ไปเป็นห้าธาตุสี่นั้นสะดวกไปซะก่อนเอาแต่ตัวธาตุแค่แท่น ไม่ได้เกี่ยวทั้งไม่กันได้เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องนมามธรรมคือไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตดินน้ำไฟลมไม่ไม่มีตัวจิตไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องจิตอันนี้ขันห้านี่คือว่าธาตุสี่เนะี่ยเอาเป็นหนึ่งใช่ขยายไปอย่างงี้ก็ เ, เป็นหนึ่งใช่เป็นรูปนะแล้วคราวนี้ก็เอานามธรรมเข้ามาเพิ่มอีกสี่อย่าง คือเวทนาความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆมันเป็นนามธรรมไม่มีใครรู้ตัวไม่มีใครรู้กันใครจะสุขจะทุกข์ก็มีใครรู้กันหรอกนั่นจึงเรียกว่านามธรรมสัญญาคือความจําอย่างเราไปจําหนังสือหรือ ไ, ไปจํำสวดมวนต์สวดพนไม่มีตัวไปจําไม่มีปรากฏไม่เหมือนกับเราเขียนหนังสือเป็นตัวในตัว แปลว่าความจำเนี่ยมันฝังเข้าอยู่ในลึกเข้าไปในใหนนะ้อยู่ใหนนั้นอย่างเราเขียนหนังสือออกมาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายแต่ตัวความจำจริงๆม่ใชะอยู่ที่ตัวหนังสือตัวหนังสือถ้ามันมีสัญญาคือความจําแล้วกับเราประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยเพราะมันมีสัญญาคือความจำที่ไปจําบทบทตรวจวนตรวจพรอะไรต่างๆ จำจสิ่งต่างๆนั้นเพราะมีอันหนึ่งซึ่งมันฝังอยู่ในในเขาไปตัว น, นั้นเรียกว่าสัญญาทุกๆคนมีทุกคนสัญญาไม่ใช่ว่ามีเดี๋ยวนี้เราก็รู้จึกอยู่จําโน่นจ ำ, น, น, จำ น, น, นี้เรารู้ได้อยู่นึกไปถึ ง, ง, งสิ่งต่างๆ ท, ที่เราจําได้ทางบ้านทังเดือนที่ไหนท่ไหนก็ตามเถอะที่เรานึกไปไปเห็นหน้าเห็นตาูนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิน่งนี้นั่นเรียกว่าสัญญา มียทุกคนจะไม่ปรากฏเป็นตัวตนออกมายิ่งเรียกวณ า, ามธรรมาสังขารค่ะนี่คือความคิดนึกปรุงแต่งอยากจงให้เนอนเป็นนี่จะปรุงอะไรก็ตามแต่งอะไรก็ช่างเถอะที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเช่นเราจะทําบ้านทําเรือนจักสารกรณีทัดเลือดสวนไรนาะอะไรทุกอย่างล่ะ ตลอดทั้งพรุมอาหารการกินหงต้มนอเจลประการต่างๆจะต้องเอานั่นผสม น, นี่จะต้องเนประสมนั่นอะไรต่างๆนะอันนั้นเน่ะท่านเรียกว่าสังขารงควกมปรุมความแต่งมีทุกคนแต่เราไม่รู้ชื่อมันหน้าตาเรนเห็นชัดทุกคนทีเดียวแต่ชื่อเนี่ว่าอันนั้นนี่ยเราไ ม, ไม่ได้เรียนจึงไม่รู้จักชื่อมันท่านให้บัญญัติว่าสังขาร วิญญาณคือความรู้สึกรู้สึกอะไรก็ตามเถอะเย็นร้อนอ่อนแข็ง อ, อย่างรื่นเหลือบยุงมากัดเจ็บฟ้าสมาเหงือกรู้สึกเจ็บรู้อึกมันหนาวเย็นร้อนนี่คือความรู้สึกที่มันอันนั้นดั่นแยละจะวิญญาณมีเพิ่มคำวาสี่เพิ่มสม า, าจากเพิ่มเข้าม า, าจากไอ้ลูก รูปนั้นเป็นเป็นตัวรูปยืนตัวอยู่แล้วอันนี้เอานามเข้ามาเพิ่มเป็นสีเ่เชื่อเถอะเลยเวลาเข้าวัาดจะรู้สึกว่าเียนตัวนี่ น, นามมีศาสนามีทิคนทําเรียกว่าธรรมขันที่เบื้องต้นนั้นถ้าเรามีธาตุจีงเรียกว่าไอธรรมธาตุเรามีธรรมธาตุอันนี้เรียกว่าเรามีธรรมขันมีบรญญัติคำพีขึ้นมาอย่างนี้ได้อีกจุดของเรา สมบูรณ์เร่ไม่ใช่มันอดอยากอะไรเลยธรรมะมีครบหมดในดวงของเราแต่และคนละคนแต่ว่าเราไม่รู้ที่มันมาสอนให้รู้รู้จักเมื่อพูดถึงเรื่องขั้นห้าแล้วครับนี้มันก็ยังมียืดยาวต่อไปอีกอะก็จัตขั้นห้านี่แหละขั้นสี่ขั้นหานี่ยขยายออกไปอีกเรียกว่าอายตนาหก คือต้องการพูดเป็นลำดับไปอายุตระหนกหกก็พูดของเก่านั่นแหละพูดเรื่องธาตุสีนาเน่ะตาก็ะทาสีหูก็ะทาสีจมูกริมกายใจใจนี่เปนเป็นเป็นป น, น, นมามธรรมตาหูจมูกริมกายก็คือตัวธาตุสี เด็กว่าลูปใจนี่คือนามาทํามีเป็นหกตามหูจมูเกเนื้องายใจมีเป็นหกทำไมท่านยังแยกออไปอีกคือว่าแยกตามความเป็นจริงคือตามเหตุการณ์ที่มันทําหน้าที่การงานที่มันทําหน้าที่ mm hmm. ที่เรียกว่าตา อันนี้ไม่เรียกไม่ได้เรียกรูปได้ค่ะนี่เรียกอายตนะหได้คันไม่ได้เรียกขันได้คันนี่เรียกอายตนะหนการเรียกรูปตัวนั้นน่ะแต่ให้เรียกเป็นอายตนะคือว่าตามันทําหน้าที่อันหนึ่งต่างหากที่แรกเรียกรวมๆกันเหมือนกับศาลาเราเนี่ยศาลาหลังเนี่ยเราเรียกว่าศาลาอันนี้ถ้าหาก็เรามาแยกกันออกไปเขาแยกเป็นเสาเป็นลอดเป็นตรง เป็นคือเป็นแปรเวียนหรือเป็นอกไก่แยกออกไปอันน้หาเราไปพูดเรื่องอันนั้นเราไม่ต้องพูดสลาลอะไรครับนี้เป็นอาการอาการออกไปอันนี้อันที่พูดถึงเรื่องอยายุศรนันี้กาลังพูดถึงเรื่องของสลาเครื่องของสลาเครื่องของเครื่องเครื่องปีกย่อยของสลาที่มันทําหน้าที่ของมันเช่นเสามันคอยรับน้ำหนัก สลานี่ไว้อย่างที่อย่างนี้แล้วก็ลอดทึกขางมันคอยรับน้ำหนักต่อจากเขาไปนะรับน้ำหนักกระดานที่เราปูพื้นนะแต่คร น, นี้ไอ้แปรเวียนเพื่อเพื่อว่าไม่รับข้อเสามันคอยรับน้ำหนัก น, นั่นเ น, นี่คือบบนมันเป็นังไงนี่ยาจีของมาัน เขาเรียกสรานหะแต่เรียกตามหน้าที่ของมันที่มันทํางานายตนะก็เหมือนกันที่เรียกว่าจัก๊กหวยายตนะคือตาอายตนะคือตามันทําหน้าที่ได้แก่มันดูรูปโสตายตนะอายตนะคือหูมันทําหน้าที่สําหรับฟัง เสี่ยวหายยตนะอายตนะคือจมูกมันไว้สําหรับดมกายายตนะอายตนะคือตัวทั้งหมดนี่มันซ้ํากันได้ขนาดนี้ว่าตาหูจมูกเที่ยวหายยตนะอายตนะคือรีดสําหรับรับรสอาหารรสอระไรก็ตามเผ็ดเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยว เรียกว่าเส้วหายยตนะอายตนะคือดีกายายยตนะอายตนะคือกายมันสำหรับรับพัด ส, สะเียนร้อนออนแข็นี่มันทําหน้าที่ของมันความเป็นจริงก็กายอยันเดียวนั่นแหละตาหัจะหมุนดีกายมันก็กา ย, ยาเดียวนั่นแหละแต่มาแยกออกเวลามันทําหน้าที่นะ ทำหน้าที่แต่และอย่างละอย่างเหมือนกับกษัตราเจวทิบาทแล้วถ้าจะนั้นท่านถึงแยกให้สินอายตนะคือน้าที่ของมาแต่และแต่และอย่างละอย่างมนายัตนะอายตนาคือใจนี่มันมันเป็นนามธรรมเลยแล้วเพราะืองเป็นานามธรรมเดียว ทีแรกนั้นห้านีเป็นนามธรรมสี่อันนี้หกมีนามธรรมอันเดียวเป็นรูปจะหาเนีลยอันนี้เรียกว่าอยายตนะนอกจากขั้นจะเรียกอยายตนะบัญญัติเป็นอยายตนะแล้วมีพูดอีกแง่นหนึ่งพูดเรียกอิจิตรคือมันมีหน้าที่รับ หน้าที่การงานของมันโดยเฉพาะแทบเปลี่ย น, ก, ยยย น, ก, น, นกันไม่ได้จะโยกย้ายแับเปลี่ยนกันทำงานแทนกันไม่ได้มันเป็นเจ้าของเจตนาที่คล้ายๆกับว่า <c oughs> เป็นนายประตูคนหนึ่งอยู่ประตูออกทางตะวันออกคนหนึ่งอยู่ทางตะวันประตูตะวันตกคนหนึ่งอยู่ประตูททิศเหนือคนหนึ่งอยู่ประตูทิศใต้คนหนึ่งอยู่ทางทิศบืองบนคนหนึ่งอยู่ทิศล่าง ต่างคนต่างอยู่ทำหน้าที่ของตนแต่ละคนละคนถ้าเปลี่ยนกันไม่ได้ใช้ก็าชำนาญในหน้าที่ของมันคล่องใจเขมามันอันนี้เป็มาเสียบแต่นายประตูได้แท่ทาอาจสามารถได้จะเรียนรู้และทับเปลี่ยนกันได้หน้าที่ของตนในเปลี่ยนหน้าที่ของคนอื่นได้แต่อันนี้เปล่าเรียนไม่ได้หรอกตาจะไปเรียนในแบบหูเรียนไม่ได้ดิหูจะไปเรียนในแบบตาเขาเรียนไม่ได้ เช่นตาจะไปฟังแทนหูนี่ไม่ได้เด็ดขาดหูจะมาดูแทนตาก็ไม่ได้เด็ดขาดหน้าที่ของมันโดยเฉพาะเช่นตากันสำหรับเป็นดูอย่างเดียวไม่ใช่ยังอื่นไม่ได้จะไปดมก็ไม่ได้จะไปฟังก็ไม่ได้จะไปรับรสอาหารก็ไม่ได้ทำไมยังไม่ได้ลี้งก็อยู่ในกายใช่เลยพูดแล้วทั้งหมดนั่นอยู่ในกาย แต่ดีนี้ว่าเฉพาะหน้าที่ของมันเลี้ยก็อยู่ในกายแล้วนะแต่ว่ามันรับรถเฉพาะของมันสิ่งอื่นไม่ได้รับเหมือนกับดิษฐเพราะนั้นท่านยังเรียกว่าอาไออินทรีย์ C. คือมันเป็นใหญ่ใ น, นหน้าที่ของมันแต่ละเรื่องละเรื่องของแต่ละหน้าที่หน้านที่ท่านยังเรียกว่าอินทรีย์ <c oughs> นอกจากท่านจะเรียกอินทรีย์แล้วท่านยังเรียกอีก พิษดาญไปอีกอาจถึงเรื่องหน้าที่ของมันเหมือนกันท่านจังเรียกว่าธาตุอีกละจะสุธาตุโสตาธาตุตาธาตุหูธาตุว่ากันง่ายจะมูขธาตุรีธาตุกายธาตุใจธาตุทำไมจึงเรียกธาตุ ธาตในที่นี้นะคือหมายความมันทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมเท่านั้นสภาพมันเป็นอยู่เช่นไรมันก็ทรงอยู่ตัวอยู่เช่นนั้นเรียกว่าธาตุคำว่าธาตุธาตุาในที่เนี้คือของเดิมอย่างเราเรียกคนว่าธาตุของคนแท้ๆหรือธาตุน้ํ า, าเงินแท้ๆหรือธาตุทองแท้ อย่างเราไม่รู้จักเรื่องอะไรทั้งหมดอ่ะเราไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทางกิจยาจาสต์เขาพากันไปเห็นวัตถุอันใดหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นมาโดยที่มันมีสมม ต, ติบรญญัติเขาไปจะวินิจฉัยได้ว่าให้สมมติให้บรญญตัติเป็นธาตุอันหนึ่งคือยังไม่เคยมีชื่อคือยังไม่มีใครสมมติบัญญัติเ้าเรียกว่าเป็นธาตุอันหนึ่งคือของเดิมมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันมีใครปรุงแต่งขึ้นมาแต่เภาพเป็นอย่าง อย่างคนเราเกิดขึ้นมาทีแรกนั่นเป็นภาพเป็นคนแท้เรียกว่าธาตุของคนแท้คือเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อันคนหนึ่งเรียกว่าธาตุเดิาามแท้ครานี้อันอคนมาแปลภาพไปมาเป็นคนทำชั่วเรียกว่าคนบาปทำดีเรียกว่าคนบุญหรือว่าแปรสภาพของธาตุนั่นแหะ มาทำงานหน้าที่ของใจของมันสามน้าที่องตนเช่นมาบวชรักษาศีลเป็นขาวเป็นชีเขาก็ไม่สามนาทีมันถึงแรกเราพิสูจ น, น์ธรรมนิจไปค้าขายเขาเรียกออค้าแม่ค่าไปช้างแรกทั้งสองเขาเรียกว่าชาวไร่ชาวสวนชาวนาไปต่างเลยแต่จะเลยกลายเสื้อมันผิดพลาดมันใสแต่ที่จริงมันก็อยู่ตามเดิมเหมือนกันนะแล้กวาการงานหน้าที่ เขาเรียกตามหน้นาที่ตำแหน่งหน้าที่เพรนั้นท่านเรียกว่าธาตุในทีนี้หมายก็สภาพมันเป็นอยู่ตามเดิมเช่นต า, านี่มันมีสภาพเป็นตาอยู่ตามเดิมมันแล้วจะไปเรียกอื่นมันก็ไม่ถูกจะไปเรียกหูก็ไม่ถูกจะไปเรียกจมูกลิ้นไก่มันก็ไม่ถูกสภาพมันเป็นตาอยู่ปกติสภาพมันเป็นหูจมูกอยู่ปกติ ยังกลายเป็นใจอยูย่ปกติท่านก็นเลยเรียกว่าธาตุเลสมมุติในบรญญัติเรียกว่าธาตุเลยมีชื่อของมันพูดตั้งแต่ธาตุสี่ที่แรกเพี้ยนสี่อย่างแล้วก็มาถึงขั้นห้ามาขายายออกมามาถึงอายตนะหรือเรียกว่าอินสี่รือเรียกว่าเรียหรือเรียกว่าธาตุ มันเข้าหาของเดิมอีกท่านเรียกธาตุแลคือสภาพเดิมดินหน้าไปล้มก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันจะไปอยู่ไหนอยู่ไหนก็เท่าเก่าน่ะธาตุเขาเรียกธาตุสี่ไปทําหมอเขาก็เอาดินไปทําไปทําให้เขาก็ดินไปทําไปปั้นรูปตุ๊กตาเขาก็ดินไปทำอย่าว่าเขาไปทําบ้านทำเรือนก็ธาตุสี่เหมือนกันคือของแข็งแขงนึ่งเอาไปทําบ้านทำเรือนก็ธาตุสี่ไปทํา ของที่แปรสภาพไปแล้วมันก็นยังคงที่อยู่จะแปรรูปร่างไปแต่ว่าอันนั้นมันยังคงที่อยู่ยิ่งว่ามันทรงตัวอยู่ตามเดิมเดียวกับธาตุอนันนี้ว่าทั้งเรื่องอายจนาและต้องว่าอายจนาภายนอกอีกว่าจะยจนาภายในกายหูจมูกลิตใจแต่ว่าจะอายจนาภายนอกอีกคือมันถ้าพูดถึงเรื่องอายจนาภายในเอ่ะมันจะต้องรู้จักกัน การอันยตนาภายนอกเป็นคู่ไปด้วยเพราะมันเป็นคู่เกิดเอาเป็นคู่กันอย่างเราพูดถึงเรื่องว่าทุกอย่างเงี้ยกระหม่อมความที่มันมีสุขอยู่หรือพูดถึงสุขกรหมายความมันมีทุกข์อยู่ถ้าห่าไม่มีทุกข์แล้วพูดสุขสุขไม่ถูกหรือพูดถึงสุขไอ้ถ้าไม่มีทุกข์แล้วพูดสุขก็ไม่ถูกมันน้องมีคู่กันอยู่แต่มันยังไปเคียงเทียบเทียนกันอยู่ มีมืดก็จะมีสว่างหมายความว่ามันมีสวา่างยังเขาเรียกว่ามีมืดหรือหมายความว่ามันมีสว่างหมายความว่ามันมีมืดมันสว่างมีอยู่ยังเขาเรียกว่ามืดมนี่เป็นคู่กันอยู่นี่ขราวนี้อัญญตระหนั่งใจอธิบายไปแล้วเป็นตาหัวจใจกืีไกลใจที่ว่านมันอยู่ในตัวของเราอยู่เฉพาะตัวของเราเลยยืนเดินนั่งนอตไปไห น, ไ ป, หนไปตัวของเราทั้งนั้นไม่ได้ทิ้งหรอกติดอยู่กันนั่นแหะ ถ้หาหาอายจาระภายในคู่ของอายจาระภายในเคลื่อนเมื่อมีตาแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เราเห็นถ้ามีตาแล้วต้องดูพอลืมขึ้นนี่เห็นเลยทีเดียวไม่อะไรก็ต้องอันนึงแหละไม่อย่างไรก็ต้องอย่างหนึ่งอง่ะพอลืมตาขึ้นเราเห็นเลยนีม่มันเป็นคู่ก็เยอย่างนี้หูแล้วพฟมีหูแล้วต้องได้ยินเสียงไม่ไม่ได้ยินยไม่ต้องได้ยินเสียงแน่นอนทีเดียว เว้นมาเจ่มันหูอื้อเรียกว่าภาษาเสียมีจมูกก็เหมือนกันต้องมีกลิ่นไปเครื่องกระทบมีเล้งก็ต้องมีสัมผัสคือรสเป็นเครื่องแต่ทบมีกายก็ต้องมีเรื่องแต่งทบคือเจนื้อต้นแขนมีใจก็ต้องมีคิดมีนึกต้องมีอารมณ์จิตอยู่กับใจทุกคนเรามีทุกคนอารมณ์ให้เข้าใจที่ซึ่งเรื่องอารมณ์นี้อีกเหมือนกัน อารมณ์นั่นหมายความหมายถึงสิ่งอันหนึ่งซี่ติดอยู่กับใจจะเป็นสิ่งดีสิ่งร้ายตา่าจสิ่งชอบไม่ชอบประชักอันที่มันติดอยู่กับใจนะันเรียกว่าอารมณ์เราจะสลับจ ะ, จะทอดทิ้งจะไม่ชอบก็บตามไม่ชอบก็ะชักแต่มันติดอยู่กับใจนั่นเรียกว่าอารมณ์อันนั่นหละอารมณ์ถ้ามีใจก็ต้องมีสิ่งหนึ่งมาติดอยู่กับใจเรียกว่าเป็นคู่กันลูก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 มันยังมีเรืนองเกิดขึ้นมาอีกเรื่ยตอ น, นี้ให้พิจารณาให้ดีๆพูดถึงเรื่องธรรมะเป็นของละเอียดไปโดยลา ด, ดับสิ่งนึ่งจะมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาภายใ น, นในขณะนี้มันกระทบกันเช่นตาไปเห็นแล้วถ้าหากไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มีประโยชน์แก่ตาลูกนะเพราะกระทบแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมา เรียกว่าสัมผัสจ้ชาไเถอนะควรู้สึก ต, ตัวนั้นแ่ะพอรู้สึกก็ชักให้ชอบใจและไม่ชอบใจใเกิดขึ้นมาเสียงก็เหมือนกันกลิ่นและรสกมือนกันพอกระทบเข้าเข้านี่ก็เกิดความรู้สึกขึ้นพอรู้สึกก็รู้สึกว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจแย่ใ จ, ใ จ, ใจใเกิดขึ้นมาพร้อมกันตรงนั้นแหละมันจะทำลายใหญ่คราวนี้มันจะแตกกระจใจตัวนั้น พอเกิดความรู้สึกทั้นพาเกิดความรู้สึกมาแต่กระจายกันใหญ่ได้ค่ะนี่ถ้าหากชอบใจกระติดอกติดใจอยากได้อยากเป็นอยากเห็นอะไรให้พอใจกระตี้เมื่อหน่ายเบียดจริงทั้งทุกข์ทุกประการดีใจและเสียใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ไม่ใช่ในน้อยแต่ทุกข์ตรงนั้นทุกข์มากทุกข์ไม่ทุกขใหญ่โตทังนั้น นั่นแหะท่านเรียกว่าิราิมันเกิดจากสัมผัสอาจจะมากภายในกับภายนอกสัมผัสท่านเรียกว่ิริวิริย์จะนี่แหละมันเป็นเครื่องทําให้นุชชาโลกเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเราเข้าใจทังเรื่องเขาไมใ่ในตัวของเรา ให้เข้าใจโดยในเทวิบาลานี่แหละให้รู้จักธาตุขันธ์อายตนะหรือให้รู้จักยินจีรู้จักธาตุหกเมืม่อเรามารู้จักเช่นนี้แล้วนะลองคิดดูสิมันจะมีประโยชนอยังไงเราดูเราตัวของเราเนี่แหละเห็นเป็นจักัตสวะธาตุธาตุสี่คือดินน้ำไพลมลังห่างไม่ใช่ไมไม่ใช่ตัวตนคนเรา ก้อนธาตก้อนหนึ่งท่านจึงอุปรมาเปรียบเหมือนกับตัวของเราคือก้อนตัวของเราเนี่ยเป็นคําบาลีที่ท่านแสดงว่ากุมภูประมังกายวิมังวิดิตวะใครเราจะรู้จักรูปอันนี้คืออุปรมาเปรียกเหมอือนกับหม้อก้อนดินดีๆ น, นี่นแหละธรรมาดาหมอเขาเก่าดินมาขย้ำมาเน เนียวแล้วเขจะทำให้ั้นเป็นรูปเป็นรูปตัวงเราเราไม่ได้ปั้นหรอก น, น, นิกก ร, รันดรบันดาก็ไม่ได้ปั้นแทคกรรมบันดาลหล่อให้เกิดเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาถ้ามอ่อดีๆนะแตคิดดูสิจะไม่ใช่มอ่อดถ้าจะพูดมันต้องหมออดีๆน่ะหูก็มีเหมือนกันปากก็มีเหมือนกันจะว่างไรกันหูก็สองหมูมันก็นกนกมอ่อมออดินเขาเคล็ดทางขางหู ป่ามันก็มีเหมือนกันต้องแกงยังได้เหมือนกันใส่ลงไปใส่ใส่ลงไปได้ป่ากใส่พริกใส่ผักอะไรต่างเนื้อปลาใส่ลงไปมันเปต้มอยู่ภายในมันก็เปื่อยเรื่องลายไปเหมือนกันนี่ท่านว่าจริงของท่านทีเดียวพวกมาเสี่ยมันก็หมอกไอ้นี่เรานเป็นหลงสมุดหวนเนี่ยทีเรื่องมันมันแย่ตรงนี้ดพี่เป็นแก่หรือถือแก่เป็นกับพี่ กิธีตีตอนต่างๆเช่นเราพากันไหว้พระสวดมนต์มันมาจากอะได้ตัวไหนนะเรียกว่าคนมีมดแต่ ส, สิ่งหนึ่งอย่างคนเราแต่ละคนคิดดูสิใจของคนก็นดีตัวของเราทั้งตัวของดีตัวของเราทั้งตัวของเราเนื้อตัวของเรานี่แหละมันจะเป็นคนยังไงคิดพกพักเนื้อปลา สารพัดทุกอย่างเอามาคนตรงนั้นนี่หมดผสมประสานรวมในนะแห่งเดียวนี่หมดยังเรียกว่คนอันนี้กระถางถ้าพูดถึงเรื่องด้านนมามธรรมจิตของคนเราเนี่ยคนจริงๆก็คนไงมโนจิตที่เป็นมนุษย์ก็มีจิตที่เป็นเทบุตรเทวดาอิศฐ ม, มีจิตของเราที่เป็นสัตว์ทราาีรักช้าในเปรตรศกายนิหมจิตที่เป็นสัตว์ก็มีอยู่ไหนนะ ยึดอะไรที่เป็นสัตว์เวลามันคิดบ้าก็ไมู่้สนไม่รู้จักคุณโนคุณงำไม่รู้จักสิ่งที่ดีชั่วคือคืออยู่มันกับสัตว์อยู่กลางทุ่งกลางนางอวไฟไงนะมันไม่รู้จักชำบุญทำบาาอะไรเซ็นแล้วกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนตื่นมาหากินใหม่กันมันก็สัตว์ทั้งสิ้คนเราถ้าแบบท่านจะว่ามนุษย์ัตว์ที่จะาโง่เรตกระมิจอยู่ในนี่ในจิตของเราเนี่ยละ เปรตนะคือหารักชอ่อโค้งขโมยหลอกลวงค น, นนู้นคนนี้กินนียกว่เปรตแสดงรูปแถลงล่างขึ้นมาปรากฏเป็นข้างเป็นข่าวแล้วก็เคยยิงเขาพูดกันแล้วว่ามันเปรตมันมาหลอกคนอย่างไนอย่างนี้นนทำท่าเป็นโคมกระดูกเล็บผมยาวอย่างนั้นอย่างนี้มันแผ่นห้อยโหนจนต้นไม้ตน้นไร่ให้คนเห็นแต่มอง ด, ดูจริงๆเราไม่เห็นอันคนที่เป็นเปรตจะเป็นอันวันกัน ไ่หาหลอกลวงคนนั้นคนนี้ทํำทาสเป็นเจ้ากี่เจ้าการเป็นเจ้างานเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเนายแสดงตนตัวมีอํานาจปาฏิหาริย์ให้คนหลงเชื่อหลงลมอห้ห ล, ล, ล, ลงกลัวเมื่อได้ทัพถินเงินทองของเขาแล้วหายวับไปที่ที่คนอํานาจปาฏิหาริย์มันหายไปหมดแม้แต่ดวงเราก็ไม่แต่ดวงเขานก็ไม่เห็นไม่ทัาบหายหน้าหายตาไเลยมันก็เปล่ากัน น, บบน่ะแบบ่ะจิตใจมบนแดด นี่ที่มันมีคนกันอยู่ในหมดท่า น, นี้เวลามันคิดใจบุญนนทุนทานแม้ถึงจะไปลักข่อโกงขงโมยเขาไม่ได้จะเท่าไรก็ตามเถอะนันแหละมันคิดอยากแก่ทำบุญเข้าวัดเข้าวาทำบุญในพุทธศาสนาหรือ่าคนอาจจะเข้าบทเรียแนแค่หน้าในพุทธศาสนาตรงนี้มันก็มีขึ้นมาเทบุตรเทวดายมิพรมจิตของเขาเกิดขึ้นมาธิอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ที่เดียวนี่แหละอยู่กับคนผู้เดียวนี่แหละ กระทุกคำว่าคนด้วยงินกระทุกเหมือนกันเพราะฉ่างนั้นท่าพุทธเจ้าท่านยังสอนให้รู้จักคนเรานะอย่าไปถือว่าแต่คนอย่าไปถือว่าแต่มนุษย์ดีทีเดียวให้ถือว่ามีทั้งเกรดมีทั้งมนุษย์มีทั้งเทวดาเทวดามีทั้งสัตว์แต่ใดฉันอยู่ในนี้ในที่นี้ทั้งหมดอีกเดียวนี้เรายังไม่ทันมองดูตัวของเรานะั่นเอง มีแต่ถือว่าตนว่าโัวว่าเป็นคนคนหนึ่งอะไรกันดีใชหมทั้งสิ่งทุกอย่างวิจิตรวิโสก็ขอทั้งหมดใช่ไือว่าตนมีในรูปในร่างเป็นอนุภาพเป็นคนแล้วกันวันดีวิจิตรวิโสกันไปเลยถ้าหากว่าพิเจรณาตามในธรรมะที่พระเดจจ่าแสดงที่ที่ยวแสดงที่แสดงไม่ฝั่งวันนี้ที่แสดงมานี่น่ะมันไม่ใช่คนหรอกธาดุสี่หรอกมอลูกหนึ่งเพราว่ามาเปลี่ยนมาเป็นมอลูก แล้วมันจะมีถือเนื้อถือตัวอะไรร้างคนเราหม้อมันพอเป็นห ม, อม้อกขามัเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วมันก็มีวันแตกวันหนึ่งคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องมีเวันแตกวันดับมันก็เห็นชักเจนว่าเกิดขึ้นจากดับไปทันทีมีแต่ช่างก็เป็นรูป ป, ป, ป, ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปต่ารเดี่าชารดเร็วเมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้นไปเลย ละคือการถือซึ่งอัจฉริมน่ะที่เล็คืออัจมีิมน่ะถือตนเ่ตัวถือว่าดีว่าเด่นว่าเก่งว่ากล้ามันก็หมดไปเมื่อถือว่าตนไม่เก่งไม่กล้าหรือไม่ดีไม่เด่นนะเสมอกันเสมอภาคก็ทั้งหมดแล้วเขาเราเหมือนกันทั้งหมดนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นของเรามันด้มีทางการทําชั่วจริตะไม่มีอิจฉาราิษเสาร์เดียดเบียกันในกัน ม, มันเสมอกันทั้งหมดมีมันดีอย่างงี้ถ้าเราไม่เห็นมารู้จากตัวของเรา หรือวิเชนั้นเราเห็นเพียงเดีวสั ก, ก็เป็นขันเป็นก้อนเป็นก้อนแต่ละก้อนและก้อนเป็นกองแต่ละกองหรือว่ารูป ก, ก็เป็นกองละหนึ่งเวทนาสัญญาสัญขาสัญญาณก็เป็นกองแต่ละกอ ง, กองมันมีลักษณะทำหน้าที่ของมันโดยเฉพาะของมันของมันมันไม่เก่บคนเรื่องพิจารณาเส้นเรื่องอายตนะอย่างที่อธิบายมานั้นนะมันมีหน้าที่ตาค่อน ทำหน้าที่โอ้โหเจมูรี่กายมันก็ทตาม้าทีท่ของเคของมันเหมือนกันกับคนเหมือนกับบริษัทที่เขาทางา น, านแนกสังคมแผนแกทนกะเบียนบัญชีแผนกแผนกพัสดุยิงสิ่งของนแนกอะไรเขาก็ทาตามเรื่องราวแผนกหน้าทาีทา่ของต้องจเข้าอยู่ในบริษัทเดียวกันหาเงินมาบารุงบริษัทเดียวกัน ถึงเขาจะได้รับค่าจ้างรางวัลจากการทํางานเพื่อประโยชน์มันก็ประโยชน์ของเขาก็จริงครับแต่ว่าทํางานเพื่อบริษัทอันเดียวกันทุกคนเหมือนกันหน้าที่ของตาถึงแม้มันจะมองดูสิ่งที่ได้ทั้งไรทั้งป๊ะหมดก็ตามแต่มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามแะแต่มันก็เพื่อความสุขคือเพื่อประโยชน์ของหน้างกายเพื่อประโยชน์ของใจเพื่อประโยชน์ของใจอันเดียวงั้นแต่มันทํางานหน้าที่ของมัน ตามเลือกมันก็เพียงแค่นันจะมีอะไรคนเดีนอกจากนี้นท่านยังพูดถึงเรื่องช่วงเราเรียกว่ากายยานครเป็นมเป็นพระ น, น, นครใหญ่โตเขาถามยิ่งพิสดารไปจะอีกอันนี้พูดถึงเรื่องบริษัท ย, ย, อย่อยถ้าพูดถึงเปรียบมันก็พระนครนั้นหนึ่งแล้วก็โอ้โหยิ่งพิสดารก็ใหญ่โตตาหัวจะหมุนกายใจเรียกว่า มีถวาวรทั้งหกเมืองพระนครมีมีวาวรทั้งหกคือมีประตูทั้งหกแห่งมีนายประตูคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ผู้คนผ่านออกผ่านเข้าจะต้องรู้จักว่าใครไปใครออกใครเข้าใครเป็นอะไรตัวอะไรรู้จักหเรียกว่านายถาวรตัวพู้เซเวาาราชนาจิตรา บัญชาการในข้างในในพระราชวางังอันนี้ส่วนในประตูไอส่วนห้องหับสำหรับเก็บพัสดุเข้าของเล็กๆ น, น้อยๆอาหารการบริโภคคือกระเพา่อาหารสิ่งต่างๆมาทำงานตามหน้าที่ในเมืองพระราควนนัมีหลายเรื่องหลายอย่างเช่นควันหรือฝ่า มันสำหรับบมดเกี่ยวอาหารนาคอมันสำหรับไว้้ใหกลืนอาหารเลีนสำหรับไปรับรถไอ้สำหรับคือไอ้ใส่สำหรับไปวันกิวอาหารอันนี้มีข้างในอีกคือไฟข้างในมันสําหรับที่จะทํางานหมดย่อยอาหารให้ซึมซาบไปตามเส้นประจกักคือไปตามเส้นเอ็นทุกแห่งทุกหนตลอดึจนขนหัวขน เช่นพรนะเ้าเนํายรถอาหารนั้นไปหล่อเลี้ยงมันมีหน้าที่ของใครพข้ามันตามเรื่องเราในพระนคร น, นั้นจึงค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าขาดแค่พนักงานถ้าขาดเรื่องการติดต่อทั้งหลายเหล่า น, น, นี้แห่งใดหนึ่งจะแล้วพระนคร น, นั้นจะไม่สมบูรณ์คือวิสานค้นจะต้องเก็บต้องไข่โนท่านยิง่งคืออธิบายพิจ า, พพ า, า, ารณาข่วงข่วงยืดยาวมากทาก็ต้อพิจารณาดวตัวของเราเป็นจักรวรรดิพระนคร น, นั้นหนึ่งคือกลายพล มันก็สบายอันไม่มีตนมีตัวมันเป็นพระนครหนึ่งตัางหากหรอนมหมดเรื่องทั้วใช่มันดีอย่างนี้อาการกิเพิจารณาถึงเรื่องตัวของเรายิงว่าของทั้งหลายเรามีหมดธรรมะก็มีหมดมีครบบริ บ, บูรณ์โอ้โหโลกทำนาวัฒน์ธรรมขันคือขันหากรนี้หมดธรรมะธาตุจือธาตุหกได้แก่จ็กกูโตต้าอาณักรณีหมด เรียกว่านามธรรมคือธรรมะคือธรรมะขันต์ต่างๆที่มีอยู่ตัวของเรามีครอบบดแต่เดียเด๋ยวนี้เรายัางไม่ได้เรียนคืเราอ่านไม่ได้เมื่ออ่านไม่ได้ไมาเรียนก็เลยไม่รู้มารู้ก็เลยไม่ทราบจะไปเอาไหนธรรมะกับก็ทราบ ไ, ไปอยู่ตรงไหนกันไปฟังพะท่านเทศนาโน้นธรรมะอยู่กับท่านหนึ่งแท่จริงที่ท่านสอนให้เรารู้จักธรรมะในตัวของเรา เลยไม่เข้าใจถึงเรืว่าธรรมนี้ตัวเลยพากันหาธรรมะใหญ่ตโตเขาถามแค่นี้เลยไม่เห็นธรรมสักทีไม่เห็นแล้วก็ไม่ดูเลยตัวของเราไม่ดูเข้ามาก็เลยไม่เห็นพากันแสวงหาศีลหาธรรมไปแล้วสํานในอาจารย์ในป้ายหาศีลในธรรมไปขึ้นธรรมบางแห่งมีคั้นหาคันแปดพึ่งคันน้ำมันหมื่นอะไรต่างๆเขาขึ้นนะสมัยโบราณขึ้นธรรมกรรมฐานต้องขึ้นใหญ่ขึ้นโตเลย ที่พึ่งจะต้องพันพันจาลึงน้ํามันจะต้องชิดสองกิโลไปขึ้นถูกขึ้นครูขึ้ น, นครูทำงา น, นคนไม่รู้จักทำถ้าเรารู้จักอย่างที่ว่านี้ไปขึ้นที่ไหนทำไม่ได้ขึ้นในโรงหรอกไม่มีครบหมดแล้วถ้ามาอ่าน ร, ารู้จักธรรมะแล้วก็หมดเรื่องพอคับเข้าใจตามเป็นจริงอย่างที่ว่านี้แล้ว ธรรมะถึงว่ามันจะเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็เรียกว่าธรรมะเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกของเราธรรมะเป็นสุขหรือว่าธรรมะจะเจริญขึ้นหรือว่าธรรมะจะเสื่อมลงหรือว่าธรรมะจะแตกสายดับไปก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นและไม่ใช่เรื่องของเรานี่จึงได้อธิบายให้ฟังมาโดยระดับเพื่อให้เข้าใจเรื่องธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละ อย่าพากันฟังที่เฉยฟังธรรมะวางให้น้อมเข้ามาในตัวที่ท่านแสดงเข้าไปนะ่ะแสดงที่อยู่ในตัวทั้งนั้นเมื่อเขาจะทาให้อยู่ในตัวของตนนั้นก็สบายพิจารณาจะทํำนั่นก็เป็นเครื่องอยู่สบายสำหรับการเล่าทำโมหะเวรคติธรรมจารีผู้ใดมาพากันรบติธรรมย่อมตามรสสาภุานั้นทำโมสุจินโนสุขมาอวะฮาติทำที่เราพิจารณาให้ดีแล้ว คนพววัฒาดีแล้วนี้เนี่ยม่เกิดความสุขทุกเมื่อมีแสดงมาในธรรมะวันนี้ก็พ อ, อสรุปรวมพวกรวมใจความในเสียงแคนีน้ฉะนั้นทุกๆคนจงพากันพิจารณาธรรมะของตนของตนจนให้เห็นแจ้งไปจกักชัดในใจของตนแล้วก่พากันอยู่ด้วยธรรมะก็จะนำ ม, มาเป็นผลคือความสุกคนจะเจรดังอธิบายมาด้วยเกิดการ